ตอนนี้พาให้พากันตั้งใจตั้งใจพากันสุกจิต ส, สมงบใจของตัวเองด้วยหลักของการภาวนาเงินกสิทธิเราเคยทำมาและเคยได้ฟังมามาาแเราก็พอที่จะกำหนด การทำพอที่จะเป็นที่พอใจของตัวเองกันอยู่บ้างเพราะเราก็ได้ยินได้ฟังมามากเหมือนกับเป็นข้อหูจูดผูได้สะดัดแตฟังมามากูได้ยินมามากที่นการกระทำ เราก็ทำเหมือนกับที่เราได้ยินและได้ฟังมาการตำหนับตำราขององค์สมเด็จพระพุทธีพุทเจ้าดูตัวอย่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีนเคยทำมาโดยวิธีไหนตอนที่พระองค์จะมีความสงดใจ เราไปมุ่งประเด็นเดียวนั่นนะมุ่งประเด็นของความสงบสงบภายนอกมันเป็นเรื่องของของภายนอกของคนละอย่างสงบเนี่ยที่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรรบกวนนั่นนั่นัเป็นเรื่องของความสงบภายนอก คนสงบภายในมันจิกันเมื่อสงบภายใ น, นถึงแม้มันจะมีเสียงอยู่ก็ตามมีอะไรอยู่ก็ตามความสงบนั้นมันก็สามารถที่จะเข้าไปสงบภายในขอามันได้ในเมื่อมันสงบภายใน มันมีรสชาติติกันความสงบภายนอกมันก็มีรสชาติรสชาติอีกอย่างหนึง่งพอเราเข้าไปสถานที่อันทีเงียบที่เพ่วัวงเวงถือว่ามันเงียบหรือว่ามันสงบแต่ว่าส่วนภายในมันไม่ได้สมงบ มันไม่ได้มีเรื่อมันคิดมันพงมันแต่งมันสารภพเมื่อที่มันจะต้องคิดพอเข้าไปถึงที่สงบแล้วมันไปคิดถึงหาความเรื่เลิองอีกทีหนึ่งมันตองกันภาามันเป็นแต่เพียงว่าสงบภายนอกเราก็ได้แต่แค่ว่าสงบดี และเงียบดีอันนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกมารสชาติอันที่จะเป็นประโยชน์กับจิตของเรานันได้ไหมจิตมันยังคุงมันยังแกง่งมันยังคิดถึงสถานที่ต่างๆมันไม่เหมือนฟางเชองออกภายในการเชองออกภายใน มันไม่ได้เกี่ยวจะเสียงก็ตามจะมีเรื่องอะไรก็ตามความสงบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันความสงบของมันก็ไปทําในที่นี่มันมีรสชาติรสชาติของความสงบมันเป็นยังไงเราจึงอยากได้ความสงบ การรสชาของความสมบัติมันก็คือความสุขนั่นแหละแความสุขนี้เป็นที่ปรารถนาของพวกเราไม่ใช่เหลือความสุขเป็นที่ต้องการของพวกเราทุกคนไม่ใช่เหลือหรือว่าต้องการความบุญบายหรือต้องการความทุกขความทุกขน่ะมันไม่ได้ต้องการมันยากหรอก ดูดีดีมันก็เกิดขึ้นเองของมันหรากไม่เกิดอย่างหนึ่งมันก็เกิดอย่างหนึ่งมันก็หากมีเรื่องมีเรื่องที่จะให้เกิดมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่องก็คือเรื่องไม่ดีนั่นะถ้ะเรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นไเี่ย มันเป็นุบเมื่ อ, อไรหรอมันหาความุบไม่ได้นะเวลามันเกิดขึ้นนี่เรื่องที่ไม่ดีนั่นอนะ่ะเวลามันเกิดที่นี่ถ้ามันสงบละถ้ามันสงบละมันก็เป็นจบนะถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์ ถ้าราักจมันจะทุกข์นะมันก็ะนกระวายนั่งก็ไม่เป็นปกตินอนก็ไม่เป็นปกติยืนก็ไม่เป็นปกติเดินก็ไม่เป็นปกติมันซบเซาไปหมดนะเวลามันทุกข์มาในทางจิตในเรื่องความสงบเล็กๆในน้อยนี่เราพยาาพึ่งประมาท อย่าพึ่งว่าตัวเองได้แล้วแม้แต่เรื่องความเห็น เ, เล็กๆน้อยๆก็อย่าเข้าใจว่าตัวเองได้แล้วเวลาเรื่องมันเกิดขึ้นมันไม่ได้สนนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะมันลบไปหมดนี่มันพ่อมันไม่แน่นอนแม่มันสงบได้แน่นอน ทำยังไงมันจะแน่นอนได้ก็ให้มันแน่นอนให้มันสงบได้เต็มที่ให้มันอิ่มได้เต็มที่วันที่มันจะสงบได้เราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกยังไงบ้างแล้ อ, องค์ทายังไงบ้าง ตัวอย่างของพระองค์นะที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้นะที่พระองค์ได้ทำเอาไว้ตามนับปากโบราณที่ท่านเขียนเอาไว้ในตำราสืบกันมาโดยลำดับพระองค์ไม่ได้ทำอะไรมากก็ไปกำหนดอาณาปณสติ กำหนดลงหายใจเข้าใจออกเท่านั้นนะแต่พระองค์ก็ยังทําได้ยังมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราเอกของพวกเราอีกด้วยเป็นศาสตราเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าองค์ไปทําอะไรมากพองค์ไปศึกษาที่ไหน ศึกษาที่หัวใจอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเอาแต่ใจของพระ อ, องค์ให้มีความสงบตอนนั้นอ่ะอี้มดูแล้วอ่านในตำราดูแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนอถ้าไปศึกษากับอาจารย์ทั้งสองก็ อ, อาจารย์ทั้งสองท่อองานก็มาใหา้ทํออาอะไรก็ให้ทำฌานัะมาบัติ ฌานสมาบัติก็ททายังไงจริงๆจะเป็นฌานสมาบัติตกลงก็มาสมาธิอันเดียวกันหน่อยสมาธิอันเดิมมันก็ไม่ได้ไปทาอะไรนะก็มากาหนดจิตกันก็ให้มีความสงบแล้วก็เปิดฌานขึ้นมาแต่ว่าฌานสมาบัติ ตั้งก็ฝึกผนมาหน่ะ น, นะอาจารย์มันก็ไม่ได้นี่ว่าจะได้ไปสอนในกำลักตำลาอะไรนะไม่ได้สอนนี่จะบอกให้ไปทำให้กำหนดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแต่ถ้าองค์ก็ไปทำตามแต่พอองค์ทำง่ายก็ได้ลูกช้าน และอาลกชานเรียกว่าฌานสมาบัติพระองค์ก็ไม่ไป็นไปเรียนอะไรที่ไหนนะ่ะแต่ น, นี่จะว่าไปฝึกฝึก เ, เอาจิตให้สงบนะพอจิตตอนนั้นแนหะมันเป็นพื้นฐานมาเนะี่พื้นฐานมาให้พระพุทธเจ้าที่จะมาทำด้วยตนเอง พอมาทำโดยตนเองพระองค์ก็ทำง่ายองค์มันได้มาแล้วเราพิจารณาดูสิพิจารณาดูที่ว่าพระพุทธเจ้าที่ได้ง่ายเพราะอะไรต่อพราะพระองค์ไปทํามาแล้วแม่จะไปท ร, รมานตัวเองต่พ่อองค์ก็ท ร, รมาน ทรมานเพื่ออะไรทรมานก็เพื่อเป็นสักขีพญานในคําสอนของพระองค์ที่จะสอนไปในข้างหน้าแต่พระองค์จะไปให้สําเร็จในขณะที่กําลังทรมานอยู่ฉันว่ามันเป็นการลําบากคนก็จะเขาจะทําตามได้ยากแต่เราก็จะต้องฝึกเราให้มันได้ทุกอย่างเต็ที่ ให้รู้จักว่าการปฏิบัติเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนพอที่จะได้เป็นสักศีพยานของท่านท่านก็เลยทำพอทำมาแล้วท่านจะไปสำเร็จในขนาดนั้นท่านก็ไม่เอาท่านก็มาละ สิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาเสวยพระกายาหารแล้วมาบำรุงร่างกายซะก่อนให้ร่างกายมันสมบูรณ์ขึ้นมาซะก่อนแล้วพระองค์ก็จึงมาทำมาทำพระองค์ก็ทหน้าสกเพราะมันมีพื้นฐานมาแล้วเพราะท่านได้มาแล้วทันเต็มมาแล้ว แต่ว่าคืนนี้เราจะเอาเป็นคืนสุดท้ายเพราะเราก็ทำมามากแล้วจะทำไปอีกมันก็จะต้องลำบากไปอีกแล้วก็มันเป็นการที่ว่าเราจะต้องมาได้สำเร็จในวันนี้ถ้าองค์ก็ยิงได้ตั้งใจเอาในคืนนั้นแหะ พพระองค์ตั้งใจเอาในคืนนั้นพระ อ, องค์ก็ได้สําเร็จตามความมุ่งหมายนยะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้เอากําหนดอะไรแบบนี้พระ อ, องค์ก็กําหนดลมเท่านั้นนะลมก็เอาลมใครล่ะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้จะเอาลมคนอื่น ก็เอ า, าลมของตัวเองเนะีนย่ยแม้แต่ท่านสอนสาวกท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ได้สอนให้เอาของคนอื่นสอนให้เอาของตัวเองลมก็เอาลมของตัวเองอนนานาปานสติอากาศจะเป็นของวางเปล่าเป็นของหายเจ้าของไ ม, ม่ได้แต่มันเป็นลมเข้าไปนะี่ะ มันเป็นเฉพาะส่วนตัวของเราที่เราจะจะต้องอะจะต้องมีขึ้นในตัวเองเนี่ยท่านก็ให้กำหนดแค่นั้นนะพอกำหนดอ่ะมันก็เป็นไปตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีเจตมีเจตนาที่จะให้สาวกได้ยินได้ฟัง แล้วก็ได้สามเป็นสามขอบคุณที่เจ้าท่านกนะ็ไม่ได้เอาอะไรมากเอาแค่นั้น่ะเอาแค่สงบเท่านั้นที่นี่ทำอย่างไรล่ะเราจะให้สงบได้ความสงบนั้น่ะเป็น สิ่งที่เราจะต้องการกันถ้าเราไม่ต้องการความสงบนะเราจะไปปฏิบัติเพื่ออะไรเราจะภาวานาเพื่ออะไรเพื่อความสงบแต่ความสงบมันมีประโยชน์อะไรพระจึงจะให้มีความสงบความสงบนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสุบ เอาแค่ okay, ความสุขกก่อนนปัญญาเนี่ยเราจะค่อยสังเกตเมื่อมาภายหลังอันเนื่องมาจากความสงบความสงบมันให้ประโยชน์อะไรบ้างมันมีอะไรปรากฏในความสงบนั้นบ้างและจิตที่มันในแล้วความสงบนั้น มันจะ ม, มีอะไรให้เห็นบ้างมันมีอะไรให้รู้บ้างเราค่อยเจ็บเอาในนั้นทีเจ็บเอาในที่ในเมื่อมันไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองนะ่ะแต่ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นในนั้น่แต่อันเนื่องมาจากพรจะนมดปัญญามันเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นด้วยความสงบแล้วมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยความทุขมันไม่ใช่เกิดด้วยความทุกข์แต่มันเกิดขึ้นด้วยความสุขแต่มันเห็นของภายนอกนะมันเป็นทุกข์แต่ตัวของเขาเองนะมันเป็นสุขเห็มันตรงกันข้ามนะไม่ใช่ว่า ข้างนอกเป็นทุกข์แล้วมันพัจิรณาแล้วแล้วมันเห็นแล้วตัวเขาก็จะเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่มันเห็นโดยความสุกของตัวเองที่ตัวเองมีความสงบแล้วนี่ยเมื่อมันมีความสงบแล้วเนยมันเห็น มันเหนมันก็เกิดไปเรื่อยจีตปัญญาเนี่ยมันค้องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มันก็รู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวมันก็เห็นนี่มันเป็นของแปลกนี่ปัญญามันก็เกิดขึ้นในนั้นเราภาวนาเราอยากได้แต่ปัญญาอย่างเดียว ได้ปัญญาอย่างเดียวนะ น, นะมันจึงวุ่นวายอนยะ่างไรตัวอยา่างอันที่ไหมันเกิดขึ้นซะึ่งปัญญานี่ยใครก็อยากได้แต่ปัญญาที่นี่ปัญญาตัวนั้นมันก็เลยพทให้วุ่นวายนะเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนะนะี่ะที่ว่าเราเอามาพิจารณาในขณะที่เรานั่ง เราก็พิจรารณาได้แต่มันได้ช่วคราวแต่อารมณ์อื่นมันเข้าไปแทรกจ้ะความเป็นอานิจจังมันอยู่ที่ไหนก็เลยไม่รู้ความเป็นทุกขังก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ความเป็นอนัตตาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องอื่นจ้ะแต่หัวข้อนั้มันถูก หัวข้อท <Yes. S 1> ี่เราออกมาพิจารณาแต่มันถูกแต่เวลามันพิจารณามันไม่ใช่แบบพิจารณาเรื่องอนิจจังเลยนะมันเป็นเรื่องอื่นน่นที่เรหวังจะเอาไปหวังจะเอาปัญญากับความเป็นอนิจจามหวังจะเอาปัญญากับความเป็นทุกข์ังหวังจะเอาปัญญาจากความเป็นอนัตตา ม, มนั ان ان มนเลยวุ่นวายเลยะมันไม่ใช่อยู่กับอันนี้จังทุกขังอัตาตาจิตนี่มันไม่อยู่หรอกเพราะอะไรมันจึงไม่อยู่เพราะเราอยากได้อยากให้มันเป็นอยากให้มันได้อยากให้มันดีก็ตรงมันก็เลยไม่ได้อะไรนะไม่รู้ว่าปัญญาอยู่ที่ไหนทีนนี้ ไม่รู้ว่าความสงบอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าความสงบอยู่ที่ไหนมันก็เลยหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งความอยากโดยลักษณะนั้นเอาความสงบนั้นนะ่ม้มันเน่นอนซะก่อนนะ ตอนสงบนี่เราก็ไม่ได้ไปเอากับใครนะไม่ได้ไปขอใครนะไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะตอนสงบนะสงอบอยู่ก็ลมนะสงบเพราะลมนะี่ยร่ะพลมหายใจเข้าใจออกนะหายใจเข้าไปเถอะรู้ไปเถอะหายใจเข้าไปแล้วก็รู้ไปตามไป ออกมาแล้วก็รู้มารู้ตามมารู้มันอยู่แค่นั้นนะแต่อย่าพยายามว่าให้มันสงอบอย่างนั้นให้มันลงอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้อย่าไปปรุง ม, มันเรากำหนดอยู่นั้นนะแต่เมื่อเวลามันสงบน่อยนะเราก็ปล่อยมันสงบบ้างมันก็โม้บว่าโมูบว่ามา มันก็เบาตนเบาตัวเบากายเบาใจหลงอกหลงใจมันเป็นไปหนะักมันมีมานะมันแสดงบอกเมืนะ่อมันแสดงบอกอย่างนั้นนะั่นแหละเราให้วางตามอย่าไปตื่นกรหนกตกใจในเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นเราปล่อยไปตามนาะที่ของมันที เวลามันจะสงบเราก็ปล่อยตหน้าที่ก็่พอเราต้องการความสงบเนี่ยเวลามันสงบกลับไปขวมันจะมันสงบแล้วมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างแก้ปัญหาความวุ่นวายแก้ปัญหาความยุ่งยากแก้ปัญหาความลำบากมันแก้ได้นะ ความสงมบถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จมันก็ยังมีประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์ของมันก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นหนทางอันที่จะให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสำเร็จนะครอันดับแรกแต่ขั้งแรก เราอย่าพึ่งว่าให้มันสาเร็จทางนั้นสําเร็จทางนั้นสําเร็จพัน น, น, น, นี้อย่าให้คนอื่นเขามารับรองให้เจ้าของนั่นนะ่ะรับรองเจ้าของรับเราก็รับรู้เลยตนเองอย่าไปหาอวดว่าตัวเองได้ขันนั้นได้ขันนี้อันนี้อย่าไปอวดถ้ามันได้แล้วมันไม่อยู่เรก แต่คลองทาราวาสเนมันไม่อยากอยู่มันเบือ่อทำมันได้จริงๆนะที่นี่มันได้พอสบายสบายไอ้สงบบ้างพอเบาตนเบาตัวเบากายเบาใจลงอกลงใจมันได้บ้างเท่านั้นแหละแต่อย่าไปคิดว่ามันสําเร็จความสําเร็จนั่นเอาไว้เมื่อภายหลัง จะได้ชานก็าตามได้ยานก็าตามให้มันได้มาเถอะใช่ยานของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ชานของเราให้เป็นประโยชน์อย่าไปเข้าใจว่าชาญเขอกไปแล้วเหมือนผัดชีลาทัดหญ้าหองัดก้อนหินออกหญ้ามันก็เกิด พอออกจากชานที่เละมันก็เกิดเราหาซะก่อนนะหาเอาชานเนี่ยไปทับมันไปก่อนนะชานก้อนหินนี่ถ้ามันไปทับมันไปก่อนเนะดีกว่าไม่มีอะไรจะไปทับดีกว่าปล่อยให้มันลอยนวลอยู่คนก็เลยไปกลัวอันนี้แหละใครๆก็ไปว่ากันนั้นนี่แหละ เขาชัานชั้โลกิยะมือนก้อนหินทับย่ามันกินก่อนหินออกเอาย่ามันก็้องที่นี่ก็เลยไปกลัวทีินี่พวกเราเอาเถอะมันดีก็มันไม่มีให้มันไปทับไปซะก่อนเถอะแล้วจะค่อยแก้ไขมันใหม่ อย่าไปคิดว่ามันจะไปทับล้วมันก็มันจะไปเสียหายแต่เรามาพิจารณาแล้วนะมันมันเป็นของควรทำแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเท่านั้นแนะ่ะแล้วไปกลัวมันไปก่อดมดพรไปกลัวมันก่อดหนนะักตกลงเราก็เลยไม่ได้อะไรเลย ชานที่ว่ามันเป็นเหมือนกับสีลาทับยา่าก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงชานที่ไม่เป็นสีลาทับยา่ามันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาชานอะไรตกลงก็เลยไปรัวกันหมดเอามันไว้ก่อนมันจะเป็นอะไรกันมันเป็นมาสะกก่อนที่ มันเป็นมาแล้วขอแก้ไขมันใหม่สำคัญที่ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยสำคัญที่มันยังไม่เป็นอะไรให้เนี่ยนี่มันมันมาอยู่ตรงนี้นะ่ตกลงเราก็เลยเสียวันเสียคืนเสียเวลาไปเปล่าชีวิตก็เลยไม่ได้ไปสุดของดีอันที่มันเป็นสมบัติของตัวเองเแต่ละคนมันเป็นภกเพกต า, ญญาตาคุณยตาอนนันหนึ่งที่ เป็นของเก่านะของเก่าที่เราได้ทำมานะทานก็บพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่ทราบนะแต่มันต้องได้ทำมาถ้าพูดถึงตามตำรานะเพราะมันมาเป็นกั บ, ก, บกันันนี่แต่ละวิญญาณของคนจนะเกิดเป็นคนก็ไม่รู้ว่าเกิดเป็นไม่รู้ว่ากี่ขั้งแล้วมันคงได้ทำมาสิ กต่มันทํำมาแล้วมันก็มาไปเป็นภูเพกระดาบุญญาตาเนี่็กลายเป็นบุญเก่านี่ยของเก่ามันก็อยู่ตรงนั้นน่ะทีนี้เราจะไปหาเอาของใหม่ไปหาเอาที่ไหนก็หาเอาของเก่านั่นแหะของที่มันอยู่ในนั้น่ของเก่าก็อยู่ในนั้นะของใหม่ก็อยู่ในนั้นเวลาเราได้เราเอาลงไปตรงนั้นน่ะ แตงปรงหาของเก่านั่นน่ะที่นี่ไม่จําเป็นส่ที่เราจะไปคิดให้มันมากแล้วก็สงสัยอย่างนั้นเดี๋ยวก็สงสัยอย่างนี้เดี๋ยวก็ไอันนูนเดี๋ยวก็ไอันนี่ที่นี่มันแล้วมันแล้วไม่เป็น ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดกันตรงตร ง, ตรงไหนให้รีบเอาเถอะมันพอจะได้หนะายมันได้ดยเยอะ่าคิดแล้วนะคงไม่นานหรอพวกเราอันนี้จังมันขับไล่ทุกวันเนะ่ะอันนี้จังนะมั น, ม, นมันเป็นมันเดียดเดีอนอยู่ตลอดนะ ชีวิตเนี่มันจะไปสู้อนิจจังไม่เหลือใครจะไปชนะของธรรมชาตได้ไม่มีใครชนะมันหรอกใครจะไปชนะอนิจจังได้อย่าเป็นนะห้ามมันได้หรือเปล่ามันห้ามไม่ได้อย่าทุก์นะห้ามมันได้เลยมันมันห้ามไม่ได้ มันไม่มีใครชนะมันนม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศ า, ศาสดาเอกของเราทั้งหลายท่านชนะอานิจจังหรือเปล่าเ่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านตัดสัตโลกุกสันโธโนกนากรมโนกัสโภอที่ตัดสัตโกไปแล้ว ท่านชนะอันนี้จังหรือเปล่าล่ะท่านก็ไม่ชนะตกลงก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นที่นี่เราอยากไปคิดกำแหนหวังจะไปสู้เอาชนะกับธรรมชาติ คือความเป็นอนิจจนะ์มันเป็นไปนไม่ได้ทำยังไงล่ะเราจะหนีจากเขาได้เราทำเพื่อหนีนะไม่ได้ทำเพื่อสู้นะไม่ได้ทำเพื่อเอา ช, ชนะนะทำเพื่อห น, นีหนีของอันนี้ล่ะหนีอนิจจงนะ นีทุกครั้งนี้อนัตตาเนี่ยต้องจะหนีอันนี้อันนี้ตัวนี้ได้มันก็หนีได้หมดไม่ว่าจะยาเสพติดอะไรมันก็หนีได้หมดแม้แต่อันนี้จังก็ยังหนีได้จะมาภาษีภาษาอะไรกับยาเสพติดมันเลิกไปหมด เพราะฉะนั้นนะท่านจึงให้พิจรารณาและให้มีปัญญากันบ้างแลให้เข้าใจกันบ้างเมื่อเข้าใจอย่างนี้น่ะเราก็จะไม่ได้พัวพันกับสิ่งเหล่านี้มันจะมีการปล่อยการวางกันละการเลิกกันอะไรต่ออะไรหลายอย่างมันก็จะได้เบาตนเบาตัวเบาใจเบาใจขึ้นบ้าง จิตเราก็จะได้สงบราบคามันก็จะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนะรู้จะเห็นด้วยตนเองถาว่าผิดนะก็ไม่รู้จะไปเอาจะปัญญาอะไรถาว่าไปจิตถาว่าไปหลง ทั้งๆ ท, ที่เขาให้ปัญญาภายในัให้นี้นะนะ่ะให้ปัญญานี้นะ่ะแต่เราก็หาว่ามันเป็นไปนหลงก็เป็นงมงายไปซะก็มันก็ ง, งมงายซะก่อนนั่นละ่ะก่อนที่เราจะไปเราต้องทำใจของเราให้มันเป็นไปซะก่อนที่ละ่ะ มันจะไปถึงไหนก็มันไปซะก่อนนี่มันจะหลงไนมันหลงซะก่อนสิมันจะได้ปัญญากว่าความหลงนั่นแหละที่เรามีปัญญาอยู่ทุกวันกว่าความหลงนั่นแหละคือมันหลงไปซะก่อนแล้วมันยังค่อยรู้เมื่อภายหลังนั่นมันยังเกิดปัญญาเหมือนเราทำอะไรไปซะก่อน พอมันาพาดไปแล้วมันผิดไปแล้วเราจะมาค่อยแก้ไขใหม่เนี่ยปัญญามันก็เกิดเมื่อภายหลังหรือให้มันผิดซะก่อนสิให้เราพยายามอยาไปเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้แล้ว ก็ได้อยู่แค่ทำนะเราที่เราจะทำไปให้มันดีไปกว่านี้อีกนะมันยากเพราะฉะนั้นละให้เราพากันนั่งนั่งกำห น, นดลมหายใจเข้าใจออกของตัวเองเท่านั้นแหะแล้วก็เพ่งดูจิตของตัวเองนั เราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ว่าจะกำนดจิตว่าจะเพ่งจิตจิตตะก็เอาใจใส่ในจิตเอาใจใส่ในสิ่งนั้นั้นแล้วก็กำลดเอาสิ กำหนดให้มันได้นะเอาให้มันสงบเรื่องเล่าต่างๆที่มันพูดมี่งพูวายกันอยู่นี่นะมันปวดหัวนะเรื่องของเรื่องนะถึงเราทำงานก็ไม่ใช่ว่าเราสบายนะ ความทุกข์ในใจละ่ะมันสารพัดนะใ้เรื่องของทุกข์นะแต่เราก็ทำหน้าตาเฉยๆเฉยๆแต่ความเผาราอูอยู่ในใจน่ะมันเผาเลย มันกขวบขวายอยู่ในตัวของตัวเองแต่ละคนละคนทำนั้นแต่และหัวใจน่ะถ้ามันสงบเรามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราต้องการความสงบเพื่อจะให้ไปแก้ปัญหาตัวนั้นน่ะเพื่อเป็นเครื่องอยู่ประจําวันอันที่เขาว่าไปติดคนสงบนั่นน่ะเราต้องการให้ไปติดนั่นน่ะ ที่เขาต้องการว่าที่เขากาวว่าไปติดสุกนั่นเราต้องการอย่างนั้นล่ะต้องการให้ไปติดนั่นล่ะต้องการให้ไปติดสุขเราต้องการให้พวกเราทั้งหลายไปติดความสงบคนอื่นเขาห้ามว่าอย่าไปติดสุกอย่าไปติดสงบแต่คนอื่นเขาหา้าม แต่เราไม่ห้ามเอาเลยมาเท่าไรเอาเท่านั้นบรรทุกรถไฟมาก็เอาเต็มรถไปนั่นะเต็มขบวนนั่นและบรรทุกรถยนต์มาก็เอาเต็มเอาให้หมดสำหรับความจุก็ความจุหมดติดก็ให้มันติดหลงก็ให้มันหลงขอให้มันได้ อันนี้เราไม่ห้ามเพรามันได้เท่านั้นแหะเพราะ อ, อะไรล่ะเพราะต้องการในพวกเรามีความสุขเพราะได้มีความสุขไว้บ้างก่อนที่เราจะเกิดความเป็นอ น, นิจจังในบรรปลายานะอันนิจจังบัรปลายมาถึงแล้วนะ กห้มันรู้ว่าโอ้สุขคนเป็นอย่างนี้หนาคกวนสงบมันเป็นอย่างนี้หนามันก็จะได้รู้บ้างเมย อ, อันนี้ไม่รู้อะไระเลยนะมีแต่คอยวนันคอยคืนคอยข้างหน้าไม่รู้ว่าข้างหน้าอยู่ที่ไหนมันไม่มีใครเห็นนะข้างหน้านะเห็นแต่อยู่เดี๋ยวนี้นะ แต่มันอยู่ข้างหน้านี่ลหละเห็นอยู่ข้างหน้าแต่เขาตามันลืมจะข้างหน้านเห็นอยู่แต่ข้างหน้าอันที่เราจะไปนั่นเรื่องไปนี่ไปกันแน่นะห้ามยังไงก็ไม่อยู่ทำยังไงใหมันอยู่มันก็ไม่อยู่ทางไปของมันอ่ะมันไปนี่ พูดง่ายๆก็คือว่ามันตายแน่ไม่มใครอยู่หรอกไม่มีใครเหลือหรอกรุ่นเราไปแล้วก็รุ่นใหม่เขาก็มาแทนมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนน่ทำอย่างไง นัตชิสันติพรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีมันอยู่ตรงไหนกันแน่เราก็ได้จะได้จว่านะได้จะดูนะดูหนังสือนะรู้หนังสือนะรู้ันทุกคนนะ แต่เวลามันเป็นมาหาว่าไปติตมันทั้งๆ ท, ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่เป็นยอดคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยสันติแล้วยังไปคิดว่าไปจิตมันเนี่ยไม่รู้ว่าความเห็นมาจากไหนนพรพอมันสงบบ้างใายในมันสงบ แต่ภายนอกมันโยกเยกก็ไปัวมันอิงล่ะมันโยกไปนั่นมันโยกไปนี่ไอไอส่วนภายนอกจะไปสนมันล่ะหาว่ามันเป็นอะไรอีกมันจะเป็นอะไรกันอย่างว่ามันโยกมันโยกกัว่ามันโยกไปถูจะเป็นอะไรแต่มันว่วงเราก็รู้ดีว่ามันว่วงแต่มันหลับเราก็รู้ดีว่ามันหลับเราก็รู้เอาเองนี่ มันสงบเ่ยรู้เอาเองที่ว่ามันสงบเลยจะไปวันไหวอะไรกับมันะ่นะอมีแรงความสงบเข้ามาน่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยไปกลัวกันหมดเนี่ยถ้าไปกลัวอย่างนั้นละ่ะ ที่ในเราจะเอาอะไรเป็นสันติให้มันทุกข์กันไม่ใช่เหลือเดี๋ยวนี้ใจมันแก้งไปแกลงมาอยู่น่ะมันไม่ได้เป็นปกติให้นะแทมที่มันจะลงมันก็ไม่ลงแทนที่มันจะเข้ามันก็ไม่เข้า มันหาจะทางออกพอออกไปแล้วเราันก็ลิฟตลิตเมฆไม่รู้ว่าไปไหนแหละผมจะตามมันมาได้ใจมันแกว่งมันลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแห ล, ก, ลกเหมือนกับลูกตุ่มนาฬิกาแก่งไปแก่งมานะ แทนที่มันจะโยนตูมลงไปน่มันก็ไม่เป็นไปให้นะอันนี้ลหละมันจึงทาให้เราเสียวันเสียคืนเสียนักปฏิบัติเราฟังเทศนะสมีิจคูบาอาจารย์นักปฏิบัติชนั้นในมาเทศเราก็ไปหาเอาจัดสรรออกมาอย่างนั้น ก็เอามาท่านก็มาเทศใชไม่ใช่ว่าเราจะมาเทศจะมาฟังเฉพาะกันเดียวนี่ก็หาไม่นะครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้กี่พระองค์แล้วเราฟังมาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราฟังมาหลายๆองค์ความสงบกันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ได้อยูุ่สําหรับความรู้เน่ยอาจารย์ตรงนั้น ท่นก็ว่าอย่างนั้นท่านให้ปฏิธรรมอย่างนั้นเราก็จำได้อยู่แต่เวลาไปทำานี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันไปคนละอย่างนั่นส่วนอุบายธรรมของท่านมันดีอยู่แต่สำหรับ อุบายของตัวเองอันที่เกิดขึ้นเพื่ อ, อยังความสงบให้เป็นไปตามทํามองของธรรมมันไม่มีรีบเอาให้มันได้มันพอจะได้ก็เอาให้มันได้มันพอจะเป็นก็เอามันเป็นพอจะดีให้มันดีมันจนจะหมดแต่ละอายุนี่ อ้วนมันยางต้องสงใน ล, ละคงไม่ถึงหรอกอีกจากนี้ไปห้าสิบปีนี่คนละห้าสิบปีจากนี้ไปคงไม่ถึงหรอกเจาก้าอานิจังมันคอยสังหารเราอยู่ตลอดมันเดือดเดียนเราอยู่ตลอด มันจะไปได้ยังไงมันจะอยู่ได้ยังไงนะคิดดูสิมันอยู่ไม่ได้นะจะวิ่งไปห า, าใส่หมอถามดูหมอนะ่ะมันสายไหมะหมอมันก็อันนี้จังเหมือนกันเขาก็รักษาตามนัดที่ตามนัดที่ของหมอ เขาก็รักษาตัวเขาไม่ใช่ว่าเขาได้ใช้ชนะแล้วในเรื่องความเป็นอ น, นิจจังสุ ข, ขงังอนัตตานึ่ว่าเขาชนะหรือหมอเไม่เขาไม่ได้ชนะแ้เหมือนกะันก็เราน่ะเขาก็รักษาปนะรานะจำหน้าที่ กหายมาก็ดีมากก็อยู่ไปผลสุดท้ายเราก็หมอหมอก็เราก็ไปพ้องกันอาจจะไปเจอกันในข้างหน้าก็ได้มั น, นีีใครเห็นมันมีใครรู้หรอกถึงรู้ก็มาพูดใต่บางก็มาเชื่อหรอกมันเชื่อไม่ได้เพราะมันของตาไม่เห็นนะ อันนี้อะของจริงมันเป็นอย่างนั้นเวลาเรามีความสมองต่างมันเป็นสมาธิล่ะมันเห็นอย่างนั้นหล่ะมันเห็นจริงของมันในตัวของมันอะเวลามันเห็นจริงจริงก็ไม่เชื่อเองละนี่ ก็ไม่อยากได้เองล่ะก็ไปจี ก, กัวมันเองล่ะมันเป็นกำนอกนั้นนะคนเรานะให้เราพากันตั้งใจให้ดีอย่าพากันกลัว อ, อย่าพากันไปมีตกมันเถอะถึงเวลาแล้วมันก็ไปของมันเองล่ะไม่มีใครห้ามได้หรอก เราหาเอาสันตินัติดสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเอาอันนี้เถอะอยากให้ได้สุขเพราะฌานฌานชนิดไหนก็่านมันเถอะ ชั้นทีลาทัดยากเก่าว่ามันมีมาเพราะเรายังไม่สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นกระสีประชันชั้นเก่าชั้นใหม่ชั้นไหสนสมเด็จกันชั้นอะไรก็ตามเพราะให้มันเป็นมาซะก่อนที่ยังค่อยแก้เมื่อไหร่หลัง ของมันยังไม่มีอะไรเลยไปตีกันตายก่อนไข่หมดจะกลัวกันเสียหมดทกลงก็เลยไม่ได้อะไรชานแบบกีฬาทัพยาก็ไม่ได้ชานแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทกลงก็เลยไม่ได้ทัพชนันได้แต่นังสือว่าชานัน ชาคือการเพ่งไม่รู้ว่าเพ่งอะไรชาตแต่เพ่งของนอกก็เป็นของนอกนะเพ่งกรสินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟรจะเอานั้นหรือมาเป็นชาน เพ่งหัวใจตัวเองให้มันสงบต่างมันเป็นสมาธินี่เพ่งเอาตรงนี้ถ้าอยากจะชนะของธรรมชาติชนะไม่ใช่ว่าชนะที่จะปราบให้มันอยู่นะไม่ให้มันมีสีกอไปไม่ใช่นะชนะแบบนี้ นี่จะล่ลราหนีจากมันนะเหมือนพระพุทธเจ้าหนีนะหนีแบบพระพุทธเจ้าวันนี้ไม่คืนมาหนีแบบเราวันาานี้คืนมาหามันอีกคืนมาแล้วไม่รู้จะเป็นเหมือนเก่าหรือเปล่ามันจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะมันน่าคิดนะ นั่นเารีบธรรมครับธรรมเาสันติสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีมีอันนี้เป็นหลักหลักฐานให้มันมั่นคงในจิตของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปอะไรให้มันมากเลยมันยาก มาได้เจ้นี่แล้ ว, ลวนะครับจะไปไหนก็ไปเจ้าที่นี่จ้อยู่ยังไงก็อยู่กับเจอานี่เพราะฉะนั้นนะที่บรรยายธรรม ม, มานี่ผมมาในบรรยายธรร ม, มเรื่องอะไรนะ่ะ เ็นเรื่องภายในยนั่นแหะเรื่องจิตนั่นแหละเพราะอย่างอืน่นครู่าอาจารย์ท่านก็มาเทศน์ฟังพอได้แล่ละแต่ว่านี่เอากรณีพิเศษคือพูดในเรื่องด้านทางจิตเพราะว่าเราจะเอาจิตเพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับตัวงตัวเองหรือว่าเป็นประโยชน์กับจิตจิตที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง ตัเองเป็นประโยชน์กัจิตแล้วจิตมันจะได้ไปข้างหน้าส่วนร่างกายเราก็รู้แล้วละ่ะมันจะไปไหนก็พร้อมกันไปเท่านั้นล่ะพร้อมกันไปไหนไปไหนไปงานจบรถจอด เ, เต็มเรานั่งวัดอยู่ในรถจนไม่มีที่จอด ไปอะไรไปงานศพเนี่ย็คิดดูสินั่นเรานัา่นน่เราไปงานเขานะ่ะเขาก็จะไปงานเราอีกเหมือนกันกับเราไปงานเขานี่หละให้ข้อคิดข้อคิดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาท แล้วก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใ จ, จเจริญสิ้นเจริญธรรมจเจริญจิตเจริญใจของตัวเองแล้วก็จะได้เป็นไปในทางความสงบจางมันเป็นสมาธิแล้วก็จะได้เกิดความรู้ปัญญาและก็จะนําความสุขเข้ามาให้แก่ตัวเองเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองกันเสียบ้างเราก็จะได้มีความสุขความสบายดังที่บรรยายมา ขอสมควรเกกละเวลาขอจิตเอาไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเกิดบาระเทนี